โอกาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังการบรรยายธรรมะในโอกาสที่พระนท่านนายสัญญาธรรมศักดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยได้มากราบเยี่ยมท่านหลวงพ่อเจ้าคุณพระโพธิยานเถระเมื่อวันที่23สิงหาคมพศ2521ขอเชิญฟังครับ ท่านรู้ว่าสุขนี่ยมันเป็นพิษถ้าเราไม่รู้มันท่านก็ไปไม่ไปสัมพันธ์มั่นหมายสุขนั้นว่าเป็นตัวเป็นต้นเป็นต้นสุขนั้นมีอยู่หรือมีอยู่ในความรู้ไม่มีอยู่ในจิตของท่านเช่นนี้ก็รู้จักว่าท่านแยกสุขแยกทุกข์แยกเวทนาออกจากจิตใ จ, จของท่านได้มีอยู่อยู่ด้วยขันนั้นเนี่ยตรงนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นอ่ะนี่พระอันอนี้พะเจ้าของเราสันตัดกิเลสนะสั่นตัดกิเลส ท่านฆ่ากิเลสไม่ใช่ว่าท่านไปฆ่ากิเลสครับถ้าฆ่ากิเลตมวลเรื่องเราของกงไม่มีกิเลสจะไปมั้เพราะท่านฆ่าไปหมดแล้วถ้าไม่ได้ฆ่ามันน่ะท่านรู้เลยท่านสะพร้อยไปตามเรื่องมันใครโง่มันก็ไปเอาคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านฆ่ากีิเลสนะท่านรู้เฉพาะใจของท่านว่าไอ้จริงทั้งหลายล่านี้มันเป็นพิษท่านก็เขี่ยพวกท่านออกเขี่ยไปเขี่ยไปจริงใจท่านเกิดทุกสัตเคียไปไม่ใช่ทไปฆ่ามันหรอก ไอ้คนที่ไม่รู้จักที่ตั้งเขียะพอไปตะปุ๊บเอานช่ไหมเอออันนี้ดีแล้วนี่ไอ้ความเปจริงพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยสันทิ้งอย่างสุกอย่างนี้ไป็นต้นท่านเขียะเอาเราก็เห็นแต่พอไปตะปุ๊บเอาจับใช้ยามไปเลยแบบของดีของเล่านี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นไอ้คว า, า, า, ามเป็นจริงนั้นอ่ะท่านไม่ได้ฆ่ามันท่านรู้เท่ามันเมื่อสุกเกิดขึ้นมาท่านก็รู้ว่ามันมันสุกะแต่ท่านไม่มีสุกแต่ท่านรู้ว่าอันนี้มันเป็นสุก ท่านไปไปสําคัญมั่นหมายมันว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นของเขาดังนั้นอย่างนี้ท่านก็ปล่อยมันไปทุกตัวมันกันเมื่อทุกข์ดันก็ทะเลาเวทนาเรียกว่าทุกเวทนาสุกเกิดขึ้นมาท่านก็ร่าอันนี้ตัวสุกเวทนานี่นเวทนาก่อนจะมีเวทนานนเป็นตอนที่เราก็กไปเ ส, เวสรวยมอนกิจตัวนี้ก็ต่อไปเสรอยคือก็ไปแบ ก, กทุกข์มันไว้แบกสุกมันไว้ไอความเป็นสุขไอความเป็นอย่างเวทนา สุขเวทนาทุกเวทนาแลจิตของเรามานเป็นคนได้อยากกันอย่างตัวเราเรียนเนี้นั่งอยู่อย่างนี้มันก็สบายอย่างนี้ถ้ามีไม้สัท่อนหนึ่งจะไปแบกมันเดอยากได้มันนะแบบหนักหนึ่งนั ก, นกเป็นต้นไอ้ต่อนไม้นี่ยคือมันตัวเวทนาหละไอ้ตัวคนที่อยากได้ต่อนไม้คือตัวจิตของเราเดี๋ยวเราไปแบกต่อนไม้มันก็หนักใช่ไหมันหนักถ้าคนมีปัญญาหนักเขาก็ไม่ทุกนะด้วยจะปล่อยมัน มันหนักเต็มที่เขาตบปล่อยมันพราะถอนไม้แต่มันมีประโยชน์จะไปตามประโยชน์เขารู้อย่างนี้มันก็คยอยชั่วนมันไม่ทับตายอย่างนี้เป็นต้นจิตนี้ตัวมันสั่นสันนั่นอาการของจิตคือสุขคือทุกเวทนาสารพัดอยา่างเป็นต้นคือมันเป็นอารมณ์อันนั้นมันเป็นส่วนโลกนะถ้าจิตรู้แล้วเป็นต้นสุขท่านก่อนทำได้ทุกท่านก่อนทำได้เพราะอะน้รท่านรู้จัดทุกท่านรู้จัดสุขนีตามเป็นจริงแล้ว คนที่ไม่รู้จักสุขหรือทุกนั้นสุขกับทุกเนี่ยมันคนในราคากันคนในระดับกันถ้าผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าสุขเวทนากับทุกเวทนานเนี่ยมันมีราคาเท่าเทกันมีราคาเท่าเท่ากันาากเท่า น, ทนั้นเนี่ยถ้าไปยึดในสุขนั่นแหละคือบ่อกเกิดของทุกทุกมันจะเกิดเป็นมาเอีเพราะอะไรสุขแล้วมันก็ไม่ที่ยง มันแป่ปั่นไปมาทั้งหายไปเมื่อสิ่งที่มันหายเนี่ ย, ยนะสุขหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเนี่ยดังนั้นเป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านจ้ารู้จักสุขนี่มันเป็นโทษทุกข์นี่มันก็เป็นโทษมีราคาเท่าๆกันเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาเท่ากับก็เห็นว่ามันสุขมันเกิดขึ้นมาสุขมันเกิดขึ้นมาเท่าก็เห็นว่ากลับทุกข์เสียมันเกิดขึ้นมาเท่านั้นดังนั้นท่านจึงปล่อยทัานสุขปล่อยทัานทุกข์ เ, เพราะสิ่งทั้งหลายนี้มีราคาเท่าเทียมกันเนี่ยเสมอกันทั้งนั้นเนี่ยนี่ฉะนั้นจิตใจของท่านจึงเป็นสัมมาปฏิปทาเห็นสิ่งทั้งสองนี้มีทุกโทษเสมอกันทั้งนั้นมีคุณประโยชน์เสมอกันทั้งนั้นสิ่งทั้งสองนี้ก็เป็นของไม่แน่นอนตกอยู่ในลักษณะของธรรมะว่ามันไม่เที่ยงก็มันเป็นทุกข์เกิดแล้วดับไปทั้งหมดอย่างนี้ เมื่อท่านเห็นเช่นนี้เป็นต้นสั ม, มาทิฏฐินั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นสัมมามัตยจะยืนจะเดินจะนอนก็ตามความรู้สึกนึกคิดทางจิตนั้นมันจะเกิดขึ้นมาก็าตามกานรู้จักว่าอันนี้มันสุขอันนี้มันทุกข์เสมอทีเดียวท่านมาให้ยึดเป็นต้อนอย่างที่พระบรมศาสด า, า, า, าของเราเป็นต้นการจะรู้มาใหม่ๆ ใ, ใ, ในประเทศตามมาสุขนันญากริโยโขอัตั์ยิรัมภายโยโขอื่่ง่า ทิฏฐทั้งหลายการมาสุขานุกายโยโคนั้นทางมันหย่อนอัตตะกิรมาทาริโยโคนั้นคือทางมันตึงอันนี้มันเล่นงานท่านมาตลอดทางจนถึงวันการรู้ธรรมท่านไม่ปล่อยมันนะท่านจับที่ตรงนี้ได้แต่เที่ยงว่าปล่อยสาวุตดปัสสินปัสมะเทศนาเลยตามมาสุขานิการโยคือคือคนจีดยินีความสุขในตามนั้นสามณะอย่าเพิ่งเดินไป อันนี้ไม่นจะทางของสมณะคือใครไปคิดใครไปนึกไปสำคัญม่นหมายในในตามนี้เป็นต้นมันวุ่นวายความสงบไม่มีในที่นั้นสมณะเกิดเป็นในได้ท่านมาทางนี้อย่าเดินอัตตะจิรวัชานิโยโคเป็นต้นทางนี้เป็นต้นทางที่มันเงียมโพลรุนแรงเป็นต้นทางนี้ก็อย่าเดินไปสมณะไม่อยู่ที่นี่ความสงบมาอยู่ที่นี่มมนสมณะไม่เกิดทางนี้ ความทั้งบไปอยู่ทางนี้คือสุขเดะทุกเนี้ยจะมันะอย่าไปสุขก็อย่าลืมตัวทุ ก, ก็อย่ืมอย่าเดินไปให้รู้มันมันจะเกิดทุกให้รู้ทุกรู้จักทุกก็รู้จักเกิดทางทุกทางจะทุกมันก็ตื่นรู้จักความรับทุกหรือข้อประพฤติปฏิบัตินีรืึงความรับทุกมันก็รู้จักข้อปฏิบัตินี่คือการภาวนานี่เองพูดง่ายๆก็เดี๋ยวเราเป็นผู้มีสติสตินี่คือความรู้ คือความลึกอยู่เสมอว่าเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เรามีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ต่อรู้อย่างนี้ลึกอยู่เสมอว่าเราอยู่ยังไงเรารู้ตัวอยู่คณะนี่เรามีอะไรอยู่เราคนคิดอะไรเรามีสุขหรือมีทุกข์ผิดหรือถูกอยู่เดี๋ยวนี้เรามีสิ่งทั้งสองนี่ประสบอยู่อย่างนี้ปัญญามันก็เกิดขึ้นมาท่นั้นเนี่ยลึกได้อยู่รู้ได้อยู่เป็นต้นมันก็วิ่งไปหาปัญญา ปัญญาก็เกิดขึ้นมารับวิภาครับวิจารณพิจารณาเราจะยู่รููยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ตามที่เถอะมีความรู้อยู่อย่างนี้มันก็รู้จักเอมันรู้จกักผิดรู้จักถูกรู้จักสิ่งที่พอดีไม่พอดีเมือมอม่ออารมณ์ที่พอใจเกิดขึ้นมาอยู่เดี๋ยวนี้เราก็รู้จักอันนี้เราก็ไปไม่ไปสําคัญมันห ม, มายมันสักแต่ว่าสุข เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมามันเป็นอาาัตตาเจนมัตายาโผแล้ว ร, รู้ว่าเอออันนี้ไม่ใช่ทางของสมณนะเนียว่าสักว่าทุกข์สักว่าสุขเป็นของสักว่าเท่านั้นเนี่อย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียกว่าเราแยกเราแยกกิจกับเวทนาเนี่ยมันออกจากกันได้แล้วลักษณะอันนี้เป็นกิจอาการที่ทุกขมันเกิดขึ้ น, นมานั้น เมื่อเราไปยึดเป็นต้นเวทนาก็เกิดไม่สุขกัทุกข์เท่านั้นถ้าจิตเจราชนถ้าจิตเจราชนะแล้วก็ไม่ไปยึดวางเป็นกุรุเฉยๆด้วยแล้วก็ปล่อยไปตามสภาวะอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นพอเหมือนกันสติน้ามันกับ น, น้ำชามันปะปนกันในโขวดอันเดียวกันเป็นต้นมันก็ไม่ซึมชาไปหากันแต่มันอยู่ขวดเดียวกันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นลักษณะของจิตกับเวทนาทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้ ถึงแม่ว่าเราเจ็บถึงแม่ว่าเราป่วยมาเราก็รู้สึกว่ามันเวทนามันก็เป็นเบทนาเนี่ะจิตมันก็เป็นจิตเป็นคนไล้ยอย่างกันอยู่เนี่ยรู้จักเจ็บไหมรู้จักรู้จักสบายไม่รู้จักแต่ไม่ไปอยู่ในความสบายแต่ไม่ไปอยู่ในความไม่สบายอยู่ในความสงบสงบยังไงสงบจากความสายนั้นสงบจากความทุกข์นั้น อันนี้ที่ให้เห็นอย่างนี้เพราะมันไม่มีตัวตนอย่างนี้จะอยู่ยังไงก็ไม่ได้ยังไงไหมก็อยู่อย่างนั้น ค, <lex ic ill in> คือท่านไม่มีสุขไม่มีทุกแต่รู้สุขไหมรู้ท่านรู้แต่ท่านไม่เป็นสุขท่านไม่เป็นทุกท่านรู้ไหมมันทุกรูก้สุขรู้รู้อยู่แต่ท่านไม่ไปแบกมันเป็นโทษเบธานานะมันก็ไม่เกิดอย่างนี้ถ้าว่าเราอ่ะปุถุชนเรามื่อก็แ ป, แปลงมันจะเป็นปุถุชนกระชั่งมันเรามุ่งตนนั้นเลยอดียดเดยมันมีอยู่อย่างนั้น อย่างงานจิตมันก็เป็นส่วนจิตอยู่อย่างนี้ะเบทนาสุขทุกข์มันก็เป็นส่วนสุขทุกข์อยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรกันมันอยู่อย่างนี้มันแยกกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันปนกันอยู่ถ้ามันปนกันอยู่เราไม่รู้ทั่วถึงมันเท่านั้นแตะไอความเป็นจริงเรืสนานี่มันแยกกันอยู่ถึงกายกับจิตนี่เป็นต้นมันจะร่วมกันอยู่นี่ก็จริงฉันนั้นอย่างบ้านเรากะเราอยู่ในบ้านมันก็เนื่องกันอยู่อย่างนั้นแหละ บ้านเป็นตรา ย, ยา ก, า ก, กิจเราก็เป็นทุกข์จะต้องร่วมครองรักษาอยู่อย่างนี้เป็นตนถ้าว่าไฟมันเกิดมาไหม้ขึ้นเป็นตนเราวิ่งออกจากบ้านไปได้นั่นนี่นวิ่งออกจากบ้านเมื่อเวทนามันเกิดขึ้นมาเป็นตนทุขเวทนาเกิดขึ้นมาเราวิ่งออกจากมันไปได้ทุกเวทนาอีกวิ่งมาได้เหมือนเราเป็นเจ้าของบ้านเมื่อมันเตียมทีมานาลู่ตามจริงๆไฟไม่บ้าแล้วเราก็วิ่งออกไปได้เพราะมันผลและผลอันนึงมันเจ้าของบ้านอันนึงมันบ้าน มันตึงอยู่อย่างนั้นดีของมันมันเป็นปกติอย่างเงี้ยอย่างนั้นดังนั้นจิตก็ดีนะจิตก็ดีเวทนาก็ดีถึงเราจะแยกมันออกเป็นต้นมันแยกอยู่แล้วพอจะเรามารู้มันตามเป็นจริงแอะไรมันก็รู้จากการแยกของมันอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วที่ว่ามันไม่แยกนี่คือเราไปยึดมั่นหมายมั่นมันเราไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็คลุมตัวกันอยู่อย่างนั้นนี่เป็นต้นมันคลุมกันอยู่นั่น เหมือนช้อนที่เราชดแกงนไงมันแกงก็เป็นอย่างหนึ่งช้อนมันก็เป็นอย่างหนึ่งนะถ้าคนรููจากอันนี้มันแกงอันนี้มันเป็นช้อนมันก็สบายนั่นนะเอาชดน้ำมันเอาช้อนมันวางไว้มันก็สบายนะถ้าเราไปทานช้อนอยู่มันก็ลำบากจริืๆไม่เห็นช้อนเป็นช้อนไม่เห็นแกงเป็นแกงไม่เห็นเวทนาเป็นเวทนามาเห็นจิตเป็นจิตมันต่อยุ่งเท่านั้นแหละ ถ้าเราคิดเช่นี้ได้เป็นต้นจะยืนนะ่ะมันก็แยกอยู่จะนั่งมันก็แยกอยู่จะนอนมันก็แยกอยู่นะ่ะอมันมีสุบิทุขอยู่สลับสับซ้อนไปอยู่ทุกเวรานั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึางให้ภาวนาการปฏิบัติภาวนาปฏิบัตินี่เป็นของสําคัญนะ่ะรู้เฉยๆไม่พอหรอกรู้เกิดจากการปฏิบัติที่จิตสงบนี้กับรู้ที่เราเรียนมานี้มันไกลกันมากทีเดียวเนะนี่ยมันไกลกันมากมากมายทีเดียว รู้ในการศึกษารู้ในการเรียนนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตลความรู้การละนั่นนะเป็นมันรู้แล้วมันเก็บไว้รู้แล้วมันตกคุกไปมันเก็บไว้แคนะ้นเก็บไปทาไมเก็บไปเพื่อเก็บมันเสียมันเสียมันจะร้องไห้อย่างนี้นะถ้ามันรู้ยังทา ง, ทางจับทางวางทางเก็บทางวางทางเก็บทางปล่อยทางรู้ทางปล่อยรู้เราก็มีการปล่อยวางอยู่อย่างนี้ว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยู่นี่เราก็ไม่ลืมตัวเราเนี่ยไม่ลืมตัวถือข้าวทุกมาถ้าทั้งจ้าเก็บมา คือเขาไขามาเป็นตนวนับก็ไม่ลืมบางคนก็คิดว่าเออเออดี๋ยนีน้ฉันไขตลอดอเดี๋ยวไม่ได้ภาวนาเลยนั่นคือคาพูดของคนโง่เฉยๆเมื่อคนไข้คนจะตายมันจะรีบภาวนาเขาจะมัง้งอันนี้ก็ยิ่งว่าเราไม่มีเวลาภาวนาจะแล้วความเจ็บมันก็เกิดขึ้นมาเลยความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเลยไอความไม่ไว้ใจในสังขารในเวลานั้นนั่นก็มีมาแล้วก็ยังเข้าใจว่าเราไม่ได้ภาวนาคือไม่มีเวลา พระพุทธจ้าองค์ไม่ตราสอย่างนั้นนะสันตานั้นเนี่ยกำลังจะที่ถูกถูกที่มันที่จะรอดปฏิบัติแล้วจนจะเก็บจนจะท้ายจนจะตายแต่ยิ่งเร่งยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งสัสจธรรมมันยิ่งเกิดเดียวนั้เนเนี่ยถ้าเราไปคิดแช่นั้นมันก็ทำบาสนะบางคนก็คิดว่าไม่มีโอกาสมีจะการงานเท่งนั้นไม่มีโอกาสที่ภาวนาโดยมากอาจารย์ทั้งหลายเป็มาแตมาถามว่าทำอะไรสอนเด็กทํางานสารพัดอย่าง คุณไม่มีเวลาจะาพัฒนาเมื่อสอนเด็กนักเรียนนั่นน่ะคุณมีเวลาหายใจไหมมีครับอ้าทำไมมีเวลาหายใจแต่สอนเด็กเรียนมันงานมันยุ่งนี่คุณห่างไปไกลไปไอความเป็นจริงเรื่องปฏิบัตินี่มันเรื่องจิตเรื่องความรู้สึกเท่านั้นน่ะไม่ใช่ไปเรื่อวไปนั่งไปนิ่งไ ป, ไปเต้นอะไรมากมายหรือความรู้สึกเท่านั้นเนี่ยรวมหายใจเราทํางานอยู่เราก็หายใจเรื่อยไป ธรรมชาติมันยิ่งรู้กว่าเราอยู่มันดับษ่าตัวของมันอยู่เราพยายามเพิ่มมีสติให้รู้สึกเหล่านั้นะพยายามเรื่อยๆไปเองไปแทรกก็ไปการภาวนาตัวมันกนฉันนั้นถ้าเรามีความรู้สึกอยู่อย่างนี้เราจะทํางานอะไรอยู่ก็ตามมันเถอะมันไม่เสียมันยิ่งทําากรงานทั้งลหลายท่านรู้จากความผิดชอบขึ้นเสมอแล้วให้คุณเข้าใจใหม่แต่เวลาที่จะภาวนาน่ยเยอะคุณเข้าใจไม่ถึงหรอกนอนอยู่แก่หายใจอยู่หน่อทานอาหารอยู่ก็หายใจได้ใช่ไหม ที่ไหนก็หายใจได้ทําไมมันมีเวลาล่ะถ้าคุณคิดเช่นนั้นชีวิตของคุณในเวลานี้ถ้ามีราคาก็รวมหายใจเนี่ยก็เหมือนกันแต่นั้นเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็จะมีเวลาแต่ความรู้สึกนึกคิดมันเป็นเรื่องของนามธรรมาไม่จริงเป็นเรื่องของรูปประทับยางนั้นในคุณพิจารณาใหม่คิดใหม่คนใหม่เทอะว่าให้มีส ต, ติขึ้นมาอย่างเดียวแตนรู้จักความผิดชอบอยู่ตลอดเวลาทั้งการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นคุณจะเห็นคุณค่ามันว่าเวลานี่มันเยอะ แต่เราไม่ฉลาดในเวลาของเราเท่านั้นแหละมันถึงไม่มีเวลาความจริงวันนี้ยุติธรรมเวลาเท่านั้นแหลเนี่ยอันนี้ให้คุณไปคิดนาดูมันก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นเป็นส่วนเวทนานี่เราจะหนีมันไปที่ไหนกันหม่อดมันต้องรู้มันซะให้รู้มันอย่างชัดเจนนะเวทนามันสักแต่ว่าสุขก็ศักดิ์แต่ว่าสุขทุกข์มันก็เป็นของสักดว่าทุกข์มันเป็นของศัก์ว่าเท่านั้นเนี่ยเราจะไปยึดว่าหรือมันมันทําไมถ้าจิตเรามันฉลาดแล้ว เท่านี้มันก็แยกเวทนาออกจากจิตได้แต่แล้วเวทนากระสับว่าเวทนามันก็เห็นว่ากระสับว่าเทนั้นทุกมันกระสับว่าทุกสุขมันก็ะสับว่าทุกมันก็แยกเท่านั้นเองมีไหมมันมีนอกใจ่มันมีอยู่นอกใหญมีในความไม่ยึดมั่นถือมันไม่ไปทำความสำคัญมั่นหมายกับมันมีแล้วก็คล้ายปฏิมันไม่มีนั่นเองนะอย่างนี้เป็นต้นนะอืมอย่างนี้ให้เราคิดทํานองนี้ทิจนาแล้วเป็นต้นเราจะถึงอะไรก็ช่างมั่นถือ นี่เรียกว่าการแยกเวทนาออกจากจิตให้รู้ว่าจิตเป็นอย่างไรเวทนามันเป็นอย่างไรให้มันรู้จักจิตมันก็คือความไปรู้สึกว่ามันสุขเป็นต้นที่เรียกกันไปเป็นต้นสุขน่ะมันจริงหรือเปล่าทุกน่ะมันแน่หรือเปล่าตามกันไปปัญญามันก็เกิดขึ้นที่จิมันก็แยกสุขแยกทุกข์กับสุขก็สักว่าจะสุขเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรทุกข์หรอกมันสักจะไม่ทุกข์อะไรอะไรมันเป็นของสักว่าอยู่เท่านั้น เรามีความรู้อยู่อย่างนี้ลตลอดต้นจนปลายท่านั้นจะ เ, เป็นตน้นนะ่ะจิตของเราเป็นต้นกับปล่อยวางไม่ใช่วางไม่ามไม่รู้นะวางมันรู้อยู่นะไม่ใช่วางหรือความโง่นะไม่ใช่วางไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคือเห็นความเปลี่ยน erten, มันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันจีนี้เป็นต้นนี่เห็นธรรมชาตินี่เห็นธรมนรมดาเมื่อเรารู้จากเชื่อนี้แต่เป็นต้นแล้วก็ชํานาญในจิตรู้จากตามรักษาจิตฉลาดใ น, ด น, ดในรรจิตของตตตนนนฉลาาาดใกกรรัษจิของ ฉล า, าดในกิตก็ต้องฉล า, าดในอารมณ์ฉล า, าดในอารมณ์ต้องฉล า, าดในโลกอย่างนี้เป็นต้นเป็นโลปวิตรูพระพุทธเจ้ารู้แจ้งในโลกอยู่ในสิ่งที่มันยุ่งน่ะสันดูในสิ่งที่มันยุ่งที่มันไม่ยุ่งมันอยู่ในนั้นเนี่ยโลกที่เป็นของหมุนวายทําไมพระพุทธเจ้ามาทูแจ้งโลกนี้ได้อย่างนี้ให้ใจัยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราบัญญัติไว้ไม่มีอะไรเกิดในเรื่อความสามารถของคนกเราต่างทั้งหลา นี่ฉะนั้นเป็นส่วนถาเรารู้จิตจิตข e อ, องตัวจิตเป็นจิตเวทนาก็เป็นเวทนะตอนนี้ก็แยกกันดอกมันก็อยู่ในท่อนในตอนก็เป็นไปอย่างนั้นจิตไปเห็นสภาวะอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นของมันจะเกิดได้ก็ด to ับไปฉะนั้นมันเกิดได้มันก็ดับไปดับแด้มันก็เกิดเกิดได้โอ้ก็เป็นเรื่องเพรามันอยู่ท่านั้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันก็เป็นคนที่ว่ารูปเห็นตามจริงๆดังนั้นปัญหามันกระจุวงจีตตรงนี้มี่ฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นต้น สิ่งทั้งหลายตอนนี้มีอยู่เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีอยู่ทุกขณะพอเรานอนจิตลงไปให้มีการประพฤติปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาทังนั้นเนี่ยถึงคราวทําสมาธิเราก็ทําไปให้เข้าใจประการทำสมาธิคือความสงบความสงบนั่นมันเพราะกําลังแห่มันเกิดทั้งนั้นน่ยไม่ติดไปเห็นอะไรต่ออะไรมากหรอกทั้งนั้นดังนั้นการทําสมาธิต่อให้มันเสมอเี่ยการทํามีปรัชนาเมื่อก็ทําสมาธินั่นเอง บัดนี้เราทําสมาธิต่อไปเราทําวิปัชนาบัดนี้เราทําสมาธิอย่างนี้เป็นต้นอย่าให้มันห่างกันอย่างนั้นสิสมาธินี่แหละคือบอ่อเกิดของปัญญาปัญญาคือผลของสมถธิอย่างปัจจบันนี้เราเรียนสมาธิต่อไปจะเรียนภาวนาวิปัชนาอย่างนี้มันแยกกันไม่ได้แต่มันแยกในแต่คำพูดเหมือนเปรียบไปนหนึ่งเหมือนนี่โตเรียบหนึ่งนะ คมมันอยู่ข้างหนึ่งสันมันอยู่ข้างหนึ่งท่านนั้นมันแยกกันม่ได้หรอกถ้าเราจับด้านของนี <Then> ่โตขึ้นอันเดียวเท่านั้นมันติเป็น <Tuesday> ส e ังคมทั้งสันนั่นแหละมันไปอยู่ที่ไหนเรกไอ้ความทงบเราเมีแหละปัญญามันก็เกิดขึ้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้เข้าใจว่ามันรุ่นเดียวกันทำทั้งหลายเหล่าเนี่ยมันจะเกิดมาจากที่ไหนนะมันมีพ่อแม่เกิดมานะมันพวกเราเกิดมาจากพ่อแม่มานั่งอยู่ที่นี่นะะธรรมะจะเกิดขึ้ที่ไหนศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมะ นี่เบื้องแรกมันจะต้องมีสีนสีนนี่คือความสงบคือความผิดทางกายทางใจเนี่ยไม่มีไม่มีก็ไม่เดือด้อนก็ไม่มีความผิดที่พอไม่เดือดร้อนเกิดขึ้นมาไอ้ความสงบพลางพรางมันก็เกิดขึ้นมาตัวสมาธิมันเกิดขึ้นมาแล้วในตัวมันนั่นแหละดังนั้นการเจริญสีนก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีอันนี้เป็นต้นเป็นทางของพระอริยเจ้าจะดำเนินไปสู่พระนิพพานมันอันเดียวกัน ถ้าพูดในชั้นก็มาสิ้นก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาคือก้อนเดียวทำก้อนเดียวอสิ้นก็คือสมาธิสมาธิก็คือสิ้นสมาธิ่็คือปัญญาปัญญาก็คือสมาธิเหมือนมาม่วงใบเดียวกันนั่นแหละเมื่อมันเป็นดอกมากระดอกมาม่วงนะเมื่อมันเป็นลูกเป็นเมล็มานกระเดี่ยผลมาม่วงมันเล็กเมเมื่อมันโตเป็นมาก็เดียกว่ามันโตไปหน่อยนะเมื่อมันโตไปโตไปมันห่างเมืมาม่วงมานหามแต่มันสุกก็มาม่วงมันสุกก็มาม่วงลูกเดียวกันนั่นแหละ แต่มันปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียนไปมันจะโตก็โตมาจากเล็กมันเล็กก็จะเล็กไปหาโตจะว่ามะม่วงต้นในใบก็ได้แจะว่าใบเดียวกันก็ถูกจิตก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาดีมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนั้นผลที่สุดจะเกดตอกเป็นมักเดินทางไปสู่กระแสของปณิพานมะม่วงก็จะแต่เป็นดอกมาพอดีเป็นต้นมันก็ดําเนินการไปถึงสู่ความที่มันสุกครอแล้วนะให้เราเห็นเช่นนี้ ถ้าเราเห็นเฉยๆก็ไม่ว่าอะไรมันตั้งฐานที่เป็นอะไรก็จักนั้นีเกิดมาแล้วมันจะแก่เกิดมาแล้วมันจะเป็นอะไรอะไรไปตามเรื่องนะพิจารณามันเนี่ยบางคนก็ไม่อยากแก่แก่ะแก่แล้วก็น้อยใจน่ะยังงั้นตัวยายพินมันม่่งสุขสิฮะจะอยากให้มุ่งสุขสมัยน่ะมันสุปในทางก็ไปบูมอะไม่ใช่เดอะเราจะแก่ก็สมอกสกใจน้อยใจบางคนร้องไห้อยาตัวมันจะตายตัวมันจะแก่ยังงั้นตัวมุ่งสุขก็ไม่ต้องกินทั้งนั้น กินดอกมะม่วงก็ดีกว่าเนาะนี่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าเราเชือย่างนี้มันก็จะเห็นธรรมะกระจ่างเลยนะอย่างนั้นแต่เราคงจะวายมีอะไรนี้นั่งหน้าตั้งตาที่เราเจะจวต้องไปเพฤ็ดปฏิบัยบัตรไปเท่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นโนวาทนะที่สันตทานองค์ะมมณีเรียกพุทธบุญทุกฐานที่มารวมกันในวันนี้นะอธิบายธรรมะให้ฟังพอสมควรกับเบลล่าอะไรที่มันอันนี้มันเทศนะอันนี้มันเทศนั่นี่ง แยกเอาไปพิจารณายังไม่มีผิดยังไม่มีถูกเนี่ยมันจะผิดมันจะถูกต้องเอาไปพิจารณาเ่านั้นนะเป็นส่วนของมไปของไปทั้งนั้นน่ะอันนั้นถ้าอะไรมันพลาดมันผิดจะไม่ถูกอะไรก็ให้มันอภัยไปในตัวมันนะออย่างมันจะผิดจะถูกก็ไปข้อบปฏิบัติทั้งนั้น่ะผิดก็ไปปฏิบัตินี่ถูกก็ไปปฏิบัตินี่ปฏิบัติปฏิบัติละมันต้องถูกต้องผิดนะนนะคนที่สวนมันเนี่ยผิดก็ทิ้งมันถูกก็ทิ้งมัน ถ้าถูกไปยึดระถูกถูกคนอื่นมาผิดก็ทะเลาะกันอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นธรรมะคือที่ไม่มีอะไรแล้นะไม่มีอะไรอัตมาเคยอ่านประวัติของลูกศิษย์นะพบเช่นนะธงที่มันปักอยู่น่ะลงมันพัดไปมัน ม, มันแกวนไอ้คนหนึ่งว่าไอ้ธงทําไมมันแกวนมันเป็นเพราะลมนี่คนหนึ่งว่าไอ่คนหนึ่งไม่ใช่มันเป็นเพราะมีธงนะก็เถียงกันอยู่นั้นแหละอาจารย์คนนั่งเฉย อมันเป็นเพราะลมไม่ใช่มันเป็นเพราะทงไม่ใช่มันเป็นเพราะลมไม่ใช่มันเป็นเพราะถกเทีย น, นอาจารย์แต่ละเอ้ยผิดทั้งสองนั่ะไอ้ทงมันจึงปวดแปบเนื้อน่ะไอ้ทงมันก็ไม่มีลง ม, มันก็ไม่มีมันก็หมดกันเท่านั้นแ <c oughs> <c oughs> น, น่เรื่องมันจบอยู่แค่นั้นเอาเถอะกายในกายให้เห็นจิตทำอธิบ า, ายเรื่องเห็นกายในกายกระกัดแนละ ใจเห็นจิตในจิตนี้เป็นยังไงแม่ขอให้ดเดียร์อย่าขึ้นให้เลยนะเหนื่อยก็จะพูดเนาะให้พูดไม่ให้เหนื่อยไปได้ไมันต้องเรื่อยก็จะพูด <c oughs> ถามมันเปนอะไรจิตเคลื่อก่อนนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรในจิตคล้ายๆว่าให้รู้จักอะไรอันนี้เป็นกระโถ น, นเราจะรู้จักนะ <c oughs> ของในกระโถนนี่อะไรบ้ง แล้วก็ชัดขึ้น่าอะไรอยู่ในกระโทนนี้ทำไมก็เพราะเราลู ก, กระโทนนี้ก่อน<ม>ใช่ไหมเราจะไปลูของในกระโทนก่อนในได้เราะแล้วอะไรเป็นติกระโทนนี่คือกระโทนเรามองเห็นว่าอะไรอยู่ในกระโทนนี้แล้วกนมองเห็นน้ำในกระโทนนะก็ถามมันจะเป็นอย่างนี้นะเรื่องจิตนี้ก็เรียกว่าถ้าพูดแล้วนะจิตไม่มีตัวตนนะจะว่าตรงไหนมันก็เป็นจิตในได้ะเป็นจิต ถ้าพวกเราเห็นง่ายๆกันเราก็รู้จักว่าอะไรมันเป็นจิตกันนั่นคือความรู้สึกของเรามีอยู่มันรับรู้ทั้งหลายนี่แหละนี่แต่ตัวมันทำไมมันมันมันมันมันไม่ทราบมันเป็นจิตน่ะแต่เรารู้อยู่เต่ไอความรู้สึกความน้อมอารมณ์ไอความจำอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะนี่นี่ที่เราถูกอารมณ์มาแล้วน่ะนั่นเป็นเรายึดมาแล้วไหนความภายในความที่ยึดมามันเป็นอะไรตรงนั้นมันมีอะไรมันหรือเปล่า ภายในจิตที่มันจับมานั้นมันมีอะไรไหมนั่นความรู้สึกเกิดขึ้นมามันรู้เป็นตัวจิตทีนี้ไอ้ความรึกเข้าไปในความรู้สึกนั่นเองมันมีอะไรไห ม, น, มนั้นตรงนั้นแหละทีว่าภายในจิตรู้จิตในจิตเนะี่ยเตัวจิตมันคือสะท้นเนี่ยมันจะกระจ่างเพราะการอธิบายอย่างเนี้เพราะมันไม่มีรูปนะมันจะต้องอธิบายอย่างนี้กนะรนะ ะ, ออยยะโถอนี่เป็นตัวสะทน้น บูและของนีนกระถนเกิดมามองดูตัวจิตก็เรียกว่าเราเป็นความผู้รู้สึกอารมณ์ผู้นอ้อมนึกนอาอารมณ์เข้ามาอบอาครับ์จิตนี่มันมันไปน้อมเอาอ่ามันรู้มันไปนอ้อ ม, ม อ, อารมณ์เข้ามาอมไว้นะตัวในที่มันอมไว้มันมีรู้สึกมีอะไรไม่นนั้นคมีความยึดมั่นหรืองหมายมั่นผิดถูกอะไรต่างๆมีอย<ๆ>ู่ในนั้นใช่ไหมคื อ, ค, อคือมือมั น, ม, นมันมากํำ ม, มาพับเนี่ยไม่รู้กำอะไรมานะ มันะมาวังคือมันมีอะไรในกรำมือเรานี่อันนี้คือของในกรำมือนย่างนี้จิตนี่เพราะมันกั้นฉันนั่นถ้าเราพูดจำสับธรรมชาติธรรมดาเราก็ไดความพูดกีโนอเอาอารมณ์มาเอาอารมณ์มาเอาอารมณ์มาไว้ในจิตของเรานเมื่อเอามาไลยเป็นอารมณ์ที่มันฝังอยู่ในจิตมันมีอะไรบ้างไมนั่นมันมีความเห็นถูกต้องไมมีความเห็นชอบไหมอะไรไหมมันรู้เท่าต่อสุขต่อทุกข์อะไรไหมตรงนั้นรู้จัก มันจะเป็นทางเนี่ยมันจะมี้จทางมาดูอยู่ในตรงนั้นนะอตรงนั้นมันองค์อยู่ตรงนั้นอันนี้มันเป็นของปู่้าติท่านนี้ก็เข้าใจเอาเท่านี้ปปปมั้งแล้วไปคิดต่อไปต่ตเอาเลยไปลองไปลองน่าปฏิบัติอันนี้มันก็ไม่ไม่กระชั้นรู้เพราะคนอื่นพูดให้ฟังตามความคิดตัวเราจับไปแล้วก็พิจารณาพระพุทธเจ้าจะกระบอกเลยแต่ว่าอปตาโรตถาตาตถตถากรเป็นแต่าผู้บอก คือบอกให้คนไหวาย้ําแต่ไหว้แทนไม่ได้ถ้าไหว้แทนเราก็จมดังนั้นมันจะใช่ใช่ยิ้มใส่นี่เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะอย่างพระนิพพานน่ะทําไมพระพุทธเจ้าของเราไม่ขี้แกงมันแก้งคือมันแก้งไม่ได้ขี้รูปให้คนตาบอดดูนะมันแก้งไม่ได้เราถ้ามันจะแก้งคนต้องไปรักษาตายมันตาดีซะก่อนมันถึงจะแก้งได้มันจะเป็นในตำนองนี้ อย่างนั้นพระพุทธเจ้าอยากจะให้รู้ใจเห็นเยอเกินเลยแต่ว่ามันถ้าเป็นธรรมเป็นปัจจัยตังท่านช่วยได้แค่นี้ท่านบอกอกตาโรตระถาคาชาตระถาโคสเกติภูบอกท่านบอกตอนนี้ท่านกลากับเห็นอย่างนั้นสมกุลให้มันเริ่มใส่ไกลพยายามทำหน้าที่แส่ไกลมันงูอัตรพิษนัเนี่เรามองเห็นมันใส่ไกลเราเปมนกลัวมันทํางไรเราครับือแม้ว่ามันมีพิษเราเป็นกลัวมันพอเราเห็นมันยังไกลอยู่นี่ แล้วไปเจอเขาที่มันไม่รู้จกคิดเนี่ยเวทนาเหมือนกันเราไปค่อยคิดไปภาวนาเขาทาลายมันนึ่มเลิกไปเรื่อยคิดไปเรื่อยๆไม่ความมาเริ่มต้นก่อนมีเวทนาครับรืเอยๆมีเวทนาแล้วไม่ไม่ก่อนมีเวทนาก่อนมีเวทนาคล้ายกับมอร์าสติใช่นานเลยนานเลยนึกถึงตายอยู่เลยมอร์นาลสตินี่ก็เวทนามันก็ไม่กรมกันไปโรนมอร์นาลสติมันมันตายไปเลยออันนี้มันสู้ เวทนานี้มาสู้กับทหาราสู้เดี๋ยวนี้นะกําลังยิงกันวันนั้นนะพระนันสติมันตายแล้วถ้าหากว่ามีเวทนาอะไรนี้แล้วเราจะไปถึงไหนก็ะชังมันมเถอะเราจะมาจากคิดต่างๆวันนี้ต่อตายกับใจแล้วนั้นเองมาเอาสองอย่างนี้มาสิ่งอื่นมันมารวมกันทางนั้นดังนั้นการประพฤติปฏิบัติษษษษษษษษที่จะให้ถูกต้องรู้จักความผิดชอบต่างๆก็คือตายกับใจ ได้กับใจนี้เนี่ยพาสุขพาทุกสัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องกันเป็นเนื่องเป็นดุ๊กโซ่ทีเดียดังนั้นการปฏิบัตินี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญเหลือเกินทุกอย่างถ้าเราได้มารู้มาหรือเห็นมาถ้าไม่ได้ปฏิบัติเป็นต้นก็เรียก ว, ว่าได้แต่เปลือกมันเท่านั้นอย่างเราจะได้ผลไม้อันหนึ่งมาจะเปรี้ยวหรือหวานก็ช่างมันเถอะ ถ้าได้มาแล้วนะยังไม่รู้ปฏิบัติมันน้อก็ไม่รู้ว่ามันเปรี้ยวมันเป็นยังไงหวานมันเป็นยังไงก็เพราะว่ามือของเรานั่นแหละอย่างเดียวน่ะไปจับผลไมให้มันจะรู้เปรี้ยวไหมมันก็ไม่รู้มันจะรู้ปริหวานไหมมันก็ไม่รงจับแต่ว่าเราได้ผลาไม้มาในมือเราแล้วนะแต่ก็ยังไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรเพราะมันเปรี้ยวก็ได้ยินแต่เขาว่ามันเปรี้ยวหวานก็ได้ยินแต่เขาว่ามันหวานเราก็เอามือเรากรรมผลไม้ไว้เท่านั้นแนี่ ยังไม่เกิดประโยชน์ยังเต็มที่ทำไมเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติคือเรายังไม่ได้ทานผลไามา้อันนั้นให้มันรู้รสชาติของมันทาไรายาทานผลไามา้อันนั้นผลไามา้อันนั้นมันก็แสดงออกมาคือความเปรีย้ยวความหวานความมันเทอร่อยเราถึงจะรู้จักเมื่อเรารู้จักเช่นนี้มันก็เป็นสิ่ีภูโตคือมันเห็นพยานในตัวเองถ้าเรายังไม่เห็นอย่างนี้ เราก็มีพยานภายนอกพยานคือคนให้ผลต้นไม้เพราว่ามันเปรี้ยวเขาว่ามันหวานเท่านั้นไม่เป็นพิกิปูโตไม่เป็นตนของตนเลยอันนั้นยังเชื่อคนอื่นอยู่เป็นตน้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่เชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธเจ้าเมษษษษษ่สันเสริญสันเสริญที่บุคคลที่รู้เป็นปัจเจตตังรู้หรือเพราะตนเองเรียบอย่างคลต้นไม้นั่นแหละถ้าเราได้ไปชิมรสมันแล้วมันหวานมันเปรี้ยวนั้นไม่ต้องไปถามใครปัญหามันส็หมดไป ทำไมปัญหามันหมดไปพอเรารู้ตามความเป็นจริงรู้อย่างความเป็นจริงปัญหาปัญหามันประหมดไม่มีความยุ่งไม่มีความยากเมื่อปัญหามันจบมันก็จบแค่นั้นทําไมมันจบมันรู้เท่าถึงรู้ทั่วถึงรู้ถึงซะแล้วมันก็เลยจบความสงสัยมันจะเปรี้ยวก็หมดสงสัยมันจะหวานก็หมดสงสัยแล้วนี่คือคนที่รู้ธรรมะผู้บรรลุถึงถุนธรรมะก็คือ บธธ่บูรุษที่บรรลุถึงความเปรี้ยวหวานของผลนั้ปัญหานั้นมันสมมูรณไปอย่างนี้มีรัดเปรียบเทียบอยู่อย่างนี้ฟังธรรมที่จะให้เกิดความรู้เฉพาะตนเองนั้นโดยมากเมื่อจะบรรยายไปมากมันก็มากท่านก็ให้รู้เพียงสี่ประการนั่ น, นคือให้รู้จากทุกรู้จากเหตุเกอของทุกอรู้จากความหลับทุกให้รู้จากข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกหมดเท่านี้นี่มันหมดเท่านี้ ที่เราดําเนินการประพฤติปฏิบัติมาทุกอย่างนั้นมารวมยอดก็ให้รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้รู้จักทุกรู้จักเหตุของทุกรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกเมื่อรู้จักของสี่อย่างนี้แล้วมันก็มันก็หมดรู้ทุกเราก็รู้เหตุของทุกเราก็รู้ความหลับทุกเราก็รู้ข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกนี่มันก็รู้ รู้ของสีอย่างนี้ก็าเรียกว่าจบปัญหามันสกหมดไปของสีอย่างนี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่ไห น, นี่ยมันเกิดอยู่ที่ของสองอย่างคือกายกับใจเท่าเนี้ยไม่อยู่อื่นไกลแล้วย่างพวกพุทธบริษัทมาวันนี้เอากายกับใจมาพร้อมสมบูรณ์หมทําไมฉันจึงแยบแยะธรรมะออกให้มากให้วกว้างก็เพราะว่าทาสิ่งทางหลายแล้วนะละเอียดเป็นอย่างๆออกไปพอเราสมบรู้เช่นร่างกายเหล่านี้ ท่านบอกว่าเจซาโลมานาคาตันตาสาโยโยย่อลงมาสารพัดอย่างแยกแยกร่างกายลางมาคือจะทํามาเห็นร่างกายแหย่ชมีชานานให้มันรู้ยิ่งตามเป็นจริงของสภาพอันนี้ถ้าเรามารู้ยิ่งตามเป็นจริงแล้วเราก็ไม่รู้จากทุกไม่รู้จากเหตุเกิดของทุกไม่รู้จากความหลักทุกไม่รู้จากความปฏิบัติให้ถึงความหลักทุกถ้าไม่รู้สิงทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่รู้จากข้อปฏิบัติ ดังนั้นฟังเทศหรือฟังธรรมในปัจจุบันในสมัยนี้เพื่อให้เกิดปัญญารู้สิงสงี่สิ่งทัวนี้สิ่งขั้นสี่อย่างนี้มันก็เกิดอยุติกายกับใจของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นอาธรรมะธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนธรรมะจังหวัดอยู่ทุกที่ที่ไหนไม่มีธรรมะไม่มีมันมีธรรมะอยู่ทุกสถานที่จะเป็นรูปมันก็เป็นธรรมะจะเป็นนามมันก็เป็นธรรมะ ถ้ามันเป็นเช่นนี้ก็เข้าใจเสียว่าเรานั้นน่ะเกิดอยู่ธรรมะเกิดอยู่กับธรรมะใกล่รธรรมะคิดธรรมะถ้าเราเข้าใจเช่นี้เราก็ยังเข้าใจต่อไปอีกว่าเรายังไม่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าอ ย, อยู่แล้วแต่ว่าเราทําไมเราถึงไม่เห็นท่านเพราะเราไม่ค่อยสนใจปฏิบัติก็ธรรมะนั้นก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็คือธรรมะ ดูความอ น, นุนให้ท่านทำให้มากเจริญให้มากปฏิบัติให้มากใครเห็นเรากว่าคนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมกว่าคนนั้นเห็นเราถ้าพูดอย่างนี้ก็เรียวกว่าเราไม่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าไม่ห่างไกลจากธรรมะผู้ไรเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าผู้ไรเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะอย่างนั้นเมื่อพูดถึงความแปรคิดกันเจนนี้ก็พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้า ดีชาดากุลมารผู้บตดเกิดมาเบื้องแรกยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็าคือท่านยังไม่รู้ธรรมะก็ยังเป็นผู้โชนอยู่อย่างพวกเรานั่นเองเนี่ยต่อเมื่อท่านรู้สิ่งที่ควรรู้คือรู้สัจะธรรมเป็นต้นรู้จักทุกุรู้เจตคติเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อประพฤติธปฏิบัติทิ้งความหลับทุกข์แล้วท่านจึงมีการประพฤติธปฏิบัติขึ้นเป็นตน้นก็วันรู้ซึ่งธรรมะ จึงไดตรัสท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อเราถึงธรรมะเราจะนั่งอยู่ที่ไหนเราก็รู้ธรรมะเมื่อเรารู้ธรรมะเราก็ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเมื่อเราฟังเทศพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเป็นต้นเราก็ฟังธรรมะอยู่ที่นัน่งนะเมื่อเราเข้าใจในธรรมะก่อพระพุทธมันก็อยู่ทีใจเราถ้าธรรมมันก็อยู่ทีใจเราข้อปฏิบัติ ประพุธปฏิบัติก็เกิดความเิลียฉลาดที่ใจเราตายก็เป็นผู้ปฏิบัติด้วยเป็นกายวาจาจิตที่คําที่เราว่าประพุธอยู่ทีใจของเราพระทําอยู่ที่ใจของเราถ้าสงอยู่ที่ใจของเราความเชื่อแน่นอนทั้งหมดแล้วว่าจะทําดีทําชั่วที่ไหนก็ช่างเถอะเป็นสัจจะทำเราทําดีอยู่ที่ไหนไม่มีใครเห็นก็ตามทีไม่มีใครสันสื่อก็ตามแต่มีคนยินทาอยู่ก็ช่างเถอะ แต่การกระทําเรานั้นมาถูกต้องความที่ถูกต้องนั่นเองเนี่ยเป็นต้นคือเราเห็นมันที่ถูกต้องตามสัจธรรมหรือความเป็นจริงซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะั่นมันเป็นความจริงเป็นต้นข่านจึงทิ้งโลกคือทิ้งสันต์เฉลิมทิ้งนินทาใครจะนินทาท่านก็ทับบามันเป็นอย่างนั้นใครจะสันตเสลินท่านก็โอมันก็เป็นอย่างนั้นสองอย่างนี้มันเป็นเรื่องของโลกทางนั้นอจิตใจของท่านก็ไม่หวั่นไหว เพราะอะไรท่านรู้จักทุกเพราะสิ่งทั้งสองอย่างนี้ทําให้ท่านเกิดทุกข์ถ้าท่านไปเชื่อทุกข์มันก็เกิดะนั้นเนี่ยก็ทุกข์เมันเป็นอย่างนั้นเกิดมากกับสับประสายไม่จะวายอกไม่สบายใจเหดือดร้อนวุ่นวายจะยืนจะเดินจะ น, จะนั่งจะนอนก็จะสับประสายนั่นคือความทุกข์เพราะอะไรมันให้ทุกข์มันเะกิดนะเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงอย่างนั้นทุกข์มันก็เกิอันนั้นมันเป็นเหต เมื่อเป็นเหตุมันเกิดทุกข์มาแล้วจะดับทุกข์ยังไงก็เลยไม่รู้จักะยิ่งจใจมันรับทุกข์กไปเดียวอย่ามาว่าฉันเลยอย่ามายึดฉาฉันเลยทุกข์มันยิ่งเกิดขึ้นมาไม่หยุดอย่ามาทําฉันเลยอย่ามาว่าฉันเลยอย่ามาตีฉันเลยทุกข์มันยิ่งกำเริบขึ้นมากเดียวเนี่ยนี่ฉันรู้จักว่าข้อปฏิบัติตึงความรับทุกข์ก็คือน้อมธรรมะอันนี้เข้าใจของเราแล้วว่าเป็นปิติธรรม เรื่องนั้นมันเป็นของนอกไม่ใช่เป็นของในความเป็นจริงที่เราทํานั้นที่เราพูดนั้นที่เราตั้งใจนั้นเป็นต้นไม่มีใครรู้มันรู้อยู่ที่จิตของเราเป็นต้นดังนั้นถ้าใครเห็นว่าเรารู้จักว่าเป็นสิขี่ผู้ตกเอาตนเองเป็นพย า, ยานของตนแล้วพระพุทธเจ้าตรัสสรเสริญใครจะว่าดีเป็นต้นท่านต่อไม่หลง ใครจะว่ชั่วเป็นต้นท่านก็ไม่รู้เป็นอิสระอยู่อย่างนั้นที่ดีหรือชั่วมันเป็นเรื่องของโรคเมื่อเรื่องของโรคมันก็เป็นอารมณ์เมื่อถูกอารมณ์แล้วก็หวั่นไว้ไปตามอารมณ์ถ้าหวั่นไว้ไปตามอารมณ์ใจเรามันก็เป็นโลกแล้วก็คําไปยตลอดเวลาก็เรียกว่าไม่รู้จักทางที่ปฏิบัติเพื่อความหลักลุกมันยิ่งสำลื่นเป็นมาดังนั้นดังนั้นเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วกรเดี๋ยวเรายังไม่ชนะตัวเอง เราอยากเอาชนะคนอื่นมันก็แพ่จ้าของเท่านั้นแหละถ้าเราเอาชนะตัวเองมันชนะตั้งตัวเองมันชนะตั้งคนอื่นชนะทั้งอารมณ์ทั้งรูปเสียงกิ่นั้นเป็นอย่างนั้น อ, อันนี้พูดถึงเรื่องภายนอกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องภายนอกมันมาเป็นเรื่องภายในนะ่นมันจะเรื่องภายในเอรางวางคนมันกับรูปภายนอกไม่รูปภายในเช่นท่านพูดคํานึงว่าให้รูปกายในกาย ให้รูป ก, กายแล้วก็ยกัยงไม่พะให้รูป ก, กายในกายพิจารณากายก็พิจารณากายในกายแล้วก็พิจารณาจิตแล้วก็พิจารณาจิตในจิตอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเป็นผู้ห่างเหินจากการภาวนาแล้วหมด่<ๆ>็เขินใช่ไหมคานี้รูป ก, กายสมัยรูปกายในกายคืออะไรรูปจิตจิตนี่มันคืออะไรของในจิตนั้นมันคืออะไรประเลยไม่รู้เรื่อง เราเรียกว่าผู้นั้นไม่รู้จักพุกไม่รู้จิตของพุกไม่รู้จักค bueno. วามหลับทุกไม่รู้จะข้อปฏิบัติใถึงความหลับทุกสิ่งที่ควรหลับพุกไปสนใจในสิ่งที่มันไม่ตืด อ, อนะสิ่งที่มันไม่เช่นว่าเรามีความคันในชีสัอย่างนี้เราไปเกาที่ขานุด อ, อย่างเนี้ยมันไม่ถูกจุดมันนะตัวนึกว่าจะให้มันสบายแต่มันไปเกาที่ขาแต่มันคันอยู่บนที่สัก นี้ท่านีว่าไม่รู้จุดมันจะให้มันระงับความพันมันระงับไม่ได้คนทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นต้นไม่รู้จักหลักทุกข์และข้อปฏิบัติให้รึงความหลับทุกข์นั้นก็ไม่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นอีกที่พวเราแต่ไหนเก้อเึินมากเป็น้นเราไม่รู้จักอันนั้นของภายนอกรูปเวทนาสัญญาสังขารภายในอย่างร่างกายแล้วนี่ไอ้กายที่เรานั่งอยู่ประชุมกันนี่มองเห็นด้วยตาเรานี้เรียกว่ากายเห็นกายเท่านั้นอะ เห็นรูปร่างกายท่นว่าเห็นกายหยับหยาบเห็นกายหยับหยาบเชนี้เป็นต้นมันจะเป็นเหตุให้ระงับความทุกข์หรือระงับเหตุที่ให้เกิดทุกข์นั้นไม่ได้เลยทําไมเพราะว่าตายนี้เราไม่เห็นข้างในเห็นแต่ทางนอกนะมันจะเห็นสิ่งที่飒ที่สวยเป็นแก่นเป็นสารกันไปหมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าเลยอันนี้ไม่พอท่นบอกว่าเห็นกายทางนอกอีตาเนื้อเรามันรู้จักเด็กๆมันก็เห็นได้ สัตวทั้งหลายมันกอดถิ่นได้มันไม่ยากกายนอกของเราเนี่จะเห็นแล้วมันติดเห็นแนี่ยมันไม่รู้เห็นแล้วมันตะคุบตะคุบ ม, มันกอ ก, กัดเราเท่านั้นมันเป็นสะอย่างนี้มิฉะนั้นท่านจึงให้เห็นว่าให้พิจนาของกายนี่พิจารณาตายไปในกายอะไรในกายนั่นตะคนุนพัวหามีเนี่ยอะไรในกายได้กวา่าไอ้ของในกายแล้วนี่มันเนี่ยอะไบ้างที่เราเห็นกายภายนอกนั่นเป็นส่วนไม่ชัดเจน เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นอะไรทั้งหลายเป็นตนวมิเตของยิศาสวยไปทั้งนั้นเป็นเครื่องย่อมใจเรามิเตนั้นจะมาเห็นไหมชัดเห็นกายไหม่ชัดถ้าในมองทางในเห็นกายในกายต่อมองก็มีไม่กายอยู่ในกายมีอะไรบ้างที่กายเนี่หนังมันหุ้มอยู่ในเปลือกนี่มันมีอยู่อย่ในกายมันมีอะไรบ้างจิตนาโดยแยบพาลกายต่อไปแต่เราคงเห็นแค่ในกายมันมีอะไรหลายหาอย่าง ซึ่งมนุษย์เราทาังหลายมองดูแนละ้วเป็นต้นสาหร่อย่างนั้นนะ่ะแปลกใจแต่เราต้นก็ไปเราแปลกใจทั้งนั้นเนะี่ยเจ้ของในตัวของเราเราไม่เคยเห็นเลยเจลาอุ้มมันไปเดินเจ้อุ้มมันไปนั่งรถเจ้าอุ้มมันขึ้นรถไปทั้งนั้นกายแต่เรายังไม่รู้มันเลยว่ามันเป็นอะไรเพราะเวลาเราถูกของฝากครับเช่นเวลาไป่บา้านญาติถ้าเอาข้าห่ออะไรให้เราก็จับเป็นตาะาไปเลยไม่ได้เปิดดูมาเดยขายดูเสีย ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปเปิดดูแลเป็นต้นหม่เป็นอสศรพิษอยู่ทั้งนั้นกายนี้ก็เหม <ST One> ือกนกันฉันนั้นถ้าเราเห็นเปลือกนอกไปเห็นว่าของสวยของงามอะไรสารพัดอย่างลื ม, ม, มลืมตัวลืมต้นลืมอณิจังลืมถุกขังลืมอนัตตาลืมเปิดทั้งนั้นน่ยถ้าเรามองดูข้างในกายแต่เป็นต้นไม่น่าจะดูนะเนี่ยเรื่องของกายเตอนนี้ของที่สะอสาดเอามาใส่เป็นดน้นมะกรูดสุกภพภายนอกมกรูดสุกภพภายนอกภายในมกรูดสุกภพภายใน เรื่องภายในก็ยิ่งหน้าดูยิ่งกว่านั้นอีกดูเข้าไปข้างในเลยทีมันในร่างกายแล้วมันมีอะไรบ้างไว้ถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วรู้ตามสัจธรรมแล้วนะไม่เข้าข้างตัวตจะแล้วเป็นตน้นตายภายนอกก็ดีดูของดูกายในตายก็ดีมันน่าจะดูนะดูมันน่าดูอน่าสนุกมันหน่าสังเวชมันน่าอะไรหลายอย่างน่าเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย เบื่อนายไม่ใช่ไปเครียดมันนะไม่ใช่ไปโกรธมันนะความกระสานความเป็นจ่างของจิตของเราเนี่ยความปล่อยความวางเห็นว่าอันนี้ไม่เคยเป็นสานะประโยชน์อะไรมากไม่เป็นแกนไม่เป็นสารไม่มีอะไรมากไม่เราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เปลี่ยนธรรมชาติที่เป็นธรรมดาเนี่ยของเขากระตั้งของเขาอยู่อย่างนั้นใครจะให้เป็นยังไงก็ก็เป็นอย่างเขเป็นนั่นเองเราจะร้องไห้ก็ดีเราจะหัวราะก็ตามเถอะสังขารนี้ก็เป็นอยู่อย่างนั้น สิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็ไม่เทีย่ยนสิ่งที่ไม่สวยมันก็ไม่สวยมันเป็นอยู่อย่างนั้นถึงคนจะรู้ถึงคนจะไม่รู้มันก็เปลนของมันอยู่อย่างนั้นดังนั้นพระผู้มีประภาคของเราเนี่ยเี่ยเมื่อเราเห็นลูกเมื่อลูกเสียงกลิ่นรสโภชภะธรรมารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วควรปล่อยเข้าไปใช่เมื่อตาเห็นรูกแล้วตบปล่อยไปในชะ่ไไปบ้านขขขาเขเมื่อหูเป็นได้ยินเสียงตบปล่อยเขาเสียงเข้าไปในชะ่ไเมื่อจมูกได้กลิ่นก็ปล่อยกลิ่นเข้าไปใช่อาไปเจอจมูกเราเนีน่ย เมื่อรถมันเกิดกับดิ้นเราเป็นต้นก็ปล่อยรถมันไป น, นะเมื่อโพชพาที่มันถูกต้องกับกายเกิดขึ้นมาชอบใจไม่ชอบใจก็ปล่อยมันซะให้กลับไปที่มันจะที่เก่าของเขาจะ้ะธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตนี้ไม่ต้องอาศัยสัมผัสอะไรมันสัมผัสขึ้นที่ใจเองเรียกว่าธรรมารมณ์หรือธรรมะอารมณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นกับจิตไม่ได้ยินเดียวนี้ไม่ได้เห็นเดียวนี้ แต่มันสัมผัสทางจิตนั้นท่านเรียกว่าธรรมารมเป็นส่วนดีก็เรียกว่ากุศลเป็นส่วนที่มันชั่วป็เรียกว่าอกุศลเป็นส่วนสิ่งทั้งหลายนี้ก็ลอยไปตามเรื่องของเขาเนี่ยเหมือนเรารู้มันอย่างนี้สุขกวดีทุกกว่าดีสารพัดอย่างอยู่ในรุ่นเดียวกันนี่เรียกว่าการภาวนาการภาวนาคือทําให้สงบสงบแล้วก็คือทำให้รู้ การทาให้สงบคือการทำให้รู้นี่ต้องลงมือปฏิบัติกายกับจิตสองอย่างนี้เองไม่ใช่อื่นความเป็นสิงคือสิ่งทั้งสิ่งเนี่ยมันเป็นของและสิ่งเมื่อสิ่งเช่นรูปก็เป็นส่วนหนึ่งเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งบิงก็เป็นส่วนหนึ่งรถก็เป็นส่วนหนึ่งโพถท่าก็เป็นส่วนหนึ่งธรรมารมมาก็เป็นส่วนหนึ่งมันเป็นคนละส่วนละส่วนอยู่แต่ว่าท่าไนได้รู้จักมันช่ไห แยกสิ่งทั้งหลายนี่เวทนาสุขเกิดขึ้นมาก็เป็นสุขเวทนาทุกข์ซึ่งมันเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าทุกเวทนานะเรื่องสุขกับทุกนี้คือท่านให้มันแยกมันดอกจากจิตก็คือผู้รู้เวทนานั่นก็คืออาจารย์ที่มันเป็นสุขหรือทุกข์ที่ชอบใจไม่ชอบใจนั่นเป็นต้นเมื่อจิตเราเข้าไปเซเวในอารมณ์มันนั้นเรียกว่าจิตของเราเข้ไปยึด หรือหมายมั e ่นหรือสัมพันธ์มั่นหมายในความสุขนั้นในความทุกันนั้นนั่นเองไอ้ที่เราไปหมายมั่นมันก็คือเรื่องกิจอาการที่มันสุขมันทุกข์นั่นก็เรียกเป็นอาการของเวทนาเเวทนาความรู้นั่นเรียกว่าจิตของเราที่เรียกว่าสุขหรือทุกข์นั่นมันเป็นเวทนาถ้ามันสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้ามันทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนา ที่เหกว่าจิตกับเบทนานั้นนะท่าในให้รู้มันแยกมันออกจากกาันคำที่ว่าแยกออกเป็นต้นไม่ใช่ว่ามันเอาไปทิ้งไปบนใดอย่างเอาทิ้งไปบนนาที่จนะิตมันก็ต้องรู้สุขจิตมันก็ต้องรู้ความทุกขนะถ้ า, ากว่าบางครั้งเราแยกโดยความที่จิตเราสงบ เช่นว่าบุคคลผู้ที่ทำสมาธิในที่เป็นต้นมันก็รู้จักเบญทนาและไปะแยกมันเชยพาความสุขความสงบมันโดนเหลือเสียสุขอย่างนี้ก็เข้าไปไม่ถึงทุกอย่างนี้ก็เข้าไปไม่ถึง น, า น, านั้นเป็นต้นอันนี้เบทนามันไปแยกอย่างล้วนั่นความสงบมันเข้ามาก่อน เวทนาเกิดทีรังเป็นต้นเวทนามันก็ดื้ก็ไม่รื้อิตก็ไม่รับรู้เป็นต้นอันนั้นไม่รู้จักเวทนามันก็แยกไปในตัวของมันอย่างว้ก็ตามเท่นะ้เวทนาก็คือความสุขสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาทุกเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าทุกเวทนานี่คือเวทนาตัวจิตที่เราเห็นสุขเวทน า, านั้นเราก็ไปเยอะมาก ทุกเวทนาเกิดขึ้นมานั้นเราก็ไปเลี้ยงมันไหมเรารู้จักว่าเออจิตของเราเป็นอย่างนี้สุขมันเป็นอย่างนี้นะทุกมันเป็นอย่างนี้เวทนามันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นคนในเรื่องกันอยู่มันจะเปรียบคล้ายๆกับเรื่าน้ำวันกับน้ำตานะแต่มันปนกันอยู่ในขวดเดียวกันก็ปนกันได้แต่ว่ามันแยกที่อยู่กันแต่ว่ามันอยู่ร่วมขวดกันก็ได้ แต่ว่ามันไม่ซึมชาบเข้าไปในกันมันปะปนกันอยู่น้ํามันมันก็เป็นน้ํามันน้ํำชามันก็เป็นน้ําชาทําไมถึงมันเป็นฉันนั้นมันมีน้ําหนักต่างกันอมันมีน้ําหนักต่างกันมันถึงแยกกันอยู่อย่างนั้นอีกนี้ตัวมันกันฉันนั้นถ้าปกติของจิตของเรามันก็ไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดเวทนามันเกิดสุขทุกข์ออกมาอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่อันนี้เรียกว่าสุข สุกนั้นมันก็สุกอยู่แต่ว่าไอ้จิตที่มันรู้ว่าสุขมันไม่เพียงมันก็ไม่ไปยึดเอาสุกอันั้นสุกแต่มันมีอยู่มันมีอยู่แต่จิตรู้อยู่มีอยู่นอกจิตไม่มีฝังอยู่ในดวงของจิตแต่รู้ชัดเจนทุกมันเกิดเกินมานะมันแยกเวทนาได้ไหมมันไม่ทุกหรือมันมันไม่รู้จักทุกหรือรู้จักทุกมันรู้จักทุกแล้ว แต่ว่าจิตมันก็เป็นจิตเวทนาก็เป็นเวทนานจิตนั่นไม่มีความสามารถจะไปยึดคุกนั้นมาแบกไว้วามันคุกอย่างนั้นเป็นต้น